คำพีวิสุทธิมักปริเฉต ท, ที่สองตุตังคานิเทศอารัมภะพจนกถาโดยที่โยคีบุคคลสมาทานเอาศีลแล้วจะต้องทำการสมาทานเอาธุดงต่อไปทั้งนี้เพื่อที่จะทำคุณทั้งหลายมีความเป็นผู้มักน้อยและความสันโดษเป็นต้นอันเป็นเครื่องผ่องแผ้วของศีล ซึ่งมีประการดังกล่าวแล้วในศีลนิเทศให้สมบูรณ์และเมื่อโยคีบุคคลทำการสมาทานเอาทุดงเช่นนี้แล้วศีลของท่านซึ่งถูกชำระล้างมนทินแล้วด้วยน้ำคือคุณมีความเป็นผู้มักน้อยความสันโดษความขัดเกลากิเลสความสงัดความไม่สังสมกิเลส การปรารบความเพียรและความเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นต้นก็จักเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ด้วยดีกับทั้งพรตทั้งหลายของท่านก็จักสมบูรณ์ด้วยอัญโยคีบุคคลผู้มีมารยาทั้งปวงบริสุทธิ์แล้วด้วยคุณคือศีลและพรตอันหาโทษมิได้เช่นนี้ดำรงตนอยู่ในอริยะวงอันเป็นของเก่าแก่สามประการคือความสันโดษในจีวร ความสันโดษในบินทบาดความสันโดษในเสนาสนะตามมีตามได้แล้วจะเป็นบุคคลสมควรเพื่อจะบรรลุอริยวงประการที่สซึ่งได้แก่ความเป็นผู้ยินดีในภาวนาคือสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะเริ่มแสดงทุตังคกถานบัดนี้ ทุตังคะคถาทุดงสิบสามประการก็แลพระผู้มีพระภาคได้ทรงอนุญาตทุดงไว้สำหรับคุณบุตรทั้งหลายผู้สละโลกามิตรแล้วผู้ไม่เสียดายอะไรในร่างกายและชีวิตผู้ปรารถนาจะทำครอบปฏิบัติอันสมควรแก่นิพพานให้ถึงพร้อมรวมเป็นสิบสามประการคือหนึ่ง ปังสุกูลิกังคะทุดงสองเตจีวริกังคะทุดง 3. ปินทปาทิกังคะทุดงสสปาทานาจาริกังคะทุดงหเอกาสนิกังคะทุดง 6. ปัตตปินทิกังคะทุดง7คลุปชาพติกังคะทุดง8 อารัญยิกังคาทุดงเกรุกขมูลิกังคาทุดงสิบอโภโกาศิกังคาทุดงสิบเอ็ดโศสานิกังคาทุดงสิบสองยถาสันติติกังคาทุดงสิบสามเนชิกังคาทุดงวินิจัยทุดงโดยอาการสิบอย่าง นักศึกษาพึงศึกษาให้เข้าใจข้อวินิจฉัยในทุดวงส3าประการนั้นโดยอาการสิบอย่างเหล่านี้คือโดยอัฐะโดยลักษณะเป็นต้นโดยสมาทานโดยกรรมวิธีโดยประเภทโดยความแตกคือขาดโดยอานิสงส์โดยกุศลติกะโดยแยกออกเป็นคำคโดยย่อและพิสดารมีคำว่าทุตตะเป็นต้น วินิจฉัยโดยอัตถาวิเคราะห์ในอาการสิบอย่างนั้นจะวินิจฉัยโดยอัตถาวิเคราะห์เป็นประการแรกดังนี้หนึ่งปังสุกูลิกังคะผ้าใดเป็นเหมือนผ้าที่สะสมด้วยขี้ฝุ่นณที่นั้นๆโดยที่ฟุ้งตลบไปเพราะเหตุวางทิ้งไว้บนขี้ฝุ่นณที่ใดที่หนึ่งเช่นถนน ป่าช้าและกองขยะมูลฝอยเป็นต้นผ้านั้นชื่อว่าผ้าบางสุกุลอีกในยะหนึ่งผ้าใดซึ่งถึงภาวะที่น่าเกลียดคือถึงซึ่งภาวะที่น่าสยะแสยงเหมือนขี้ฝุ่นผ้านั้นชื่อว่าผ้าบางสุกุลการทรงไว้ซึ่งผ้าบางสุกุลอันได้อัตถะวิเคราะห์อย่างนี้ชื่อว่าปังสุกุลละแปลว่า การทรงไว้ซึ่งผ้าบางสุกุลการทรงไว้ซึ่งผ้าบางสุกุลนั้นเป็นปกติของภิกษุนี้เหตุนั้นภิกษุนี้ชื่อว่าปัางสุกูลิโกแปลว่าผู้มีอันทรงไว้ซึ่งผ้าบางสุกุลเป็นปกติองค์แห่งภิกษุผู้มีอันทรงไว้ซึ่งผ้าบางสุกุลเป็นปกติาากกตชื่อว่า บังสุกูลิกังคะเหตุเรียกว่าองค์เพราะฉะนั้นนักศึกษาพึงเข้าใจว่าภิกษุนั้นเป็นผู้มีอันทรงไว้ซึ่งผ้าบางสุกูลเป็นปกติด้วยเจตนาเป็นเหตุสมาทานอันใดคำว่าองค์นี้เป็นชื่อของเจตนาเป็นเหตุสมาทานอันนั้นสอง เตจิวริกังคะโดยในยะอย่างเดียวกันนั้นการทรงไว้ซึ่งผ้าสามผืนคือผ้าสังคติหนึ่งผ้าอุตตราสองหนึ่งผ้าอันตรวาโสหนึ่งเป็นปกติของภิกษุนี้เหตุนั้นภิกษุนี้ชื่อว่าเตจีวริโกแปลว่าผู้มีอันทรงไว้ซึ่งผ้าสามผืนเป็นปกติ องค์แห่งภิกษุผู้มีอันทรงไว้ซึ่ง้าสามผืนเป็นปกติชื่อว่าเตจีวริกังคะสปินทปาติกังคะการตกลงแห่งก้อนอมิตรคือภิกษาหารได้แก่การตกลงในบาทแห่งก้อนข้าวที่ผู้อื่นเข้าถวายชื่อว่าปินทปาตะ ภิกษุใดสแสวงหาบินทบาทนั้นคือเข้าไปสู่ตรกูลนั้นๆแสวงหาอยู่ภิกษุนั้นชื่อว่าบินทปาติโกแปลว่าผู้สแสวงหาซึ่งบินทบาทอีกอย่างหนึ่งการเที่ยวไปเพื่อบินทบาตเป็นธรรมเนียมของภิกษุนี้เหตุนั้นภิกษุนี้ชื่อว่าบินทปาตีแปลว่า ผู้มีอันเที่ยวไปเพื่อบินธบาตเป็นธรรมเนียมบทว่าปฏิตังแปลว่าการเที่ยวไปบทว่าปินทปาตีกับบทว่าปินทปาติโกความเหมือนกันองค์แห่งภิกษุผู้สแสวงหาซึ่งบินธบาตหรือองค์แห่งภิกษุผู้มีอันเที่ยวไปเพื่อบินธบาติเป็นธรรมเนียม ชื่อว่าปินธปาติกังคะ 4. สี่สัพทานาจาริกังคะการขาดตอนเรียกว่าฐานะกิจใ ด, ดที่ปราศจากการขาดตอนคือไม่ขาดตอนกิจนั้นเรียกว่าอ ป, ปทานะกิจใ ด, ดเป็นไปกับด้วยการไม่ขาดตอน ได้แก่เว้นการขาดระยะคือไปตามลำดับเรือนกิจนั้นชื่อว่าสปฐานะการเที่ยวไปคือบินทบาทอย่างไม่ขาดตอนคือไปตามลำดับเรือนนี้เป็นปกติของภิกษุนี้เหตุนั้นภิกษุนี้ชื่อว่าสปธานจารีแปลว่าผู้มีอันเที่ยวไปยังไม่ขาดตอนเป็นปกติ บทว่าสัปทานจารีกับบทว่าสัปทานจาริโกความเหมือนกันองค์แห่งภิกษุผู้มีอันเที่ยวไปยังไม่ขาดตอนเป็นปกติชื่อว่าสัปทานจาริกังคะหเอกาสนิกังคะการฉันในที่นั่งอันเดียวชื่อว่าเอกาสนะ การฉันในที่นั่งอันเดียวนั้นเป็นปกติของภิกษุนี้เหตุนั้นภิกษุนี้ชื่อว่าเอกาสนิโกแปลว่าผู้มีอันฉันในที่นั่งอันเดียวเป็นปกติองค์แห่งภิกษุผู้มีอันฉันในที่นั่งอันเดียวเป็นปกตินั้นชื่อว่าเอกาสนิ ก, กังคะหก ปัตตปินที่กลางคาบินทบาทเฉพาะแต่ในบาทอย่างเดียวเท่านั้นเพราะห้ามภาชนะอันที่สองเสียชื่อว่าปัตตปินโธแปลว่าบินทบาทในบาทบินทบาทในบาทเป็นปกติของภิกษุนี้เพราะในขณะอิบเอาบินทบาทในบาทก็ทำความสํานึกว่าเป็นบินทบาทในบาท เหตุนั้นภิกษุนี้ชื่อว่าปัตตบปินทิโกแปลว่าผู้มีบินทบาทในบาทเป็นปกติองค์แห่งภิกษุผู้มีบินทบาทในบาทเป็นปกตินั้นชื่อว่าปัตตาปินทิกังคะเจลุปัจฉาพติกั ง, ชชกงคะคาว่าคลุ เป็นสัพนิบาตลงในความปฏิเสธพตตาหารที่ได้มาหลังจากที่ตนห้ามแล้วชื่อว่าปัจฉาพัตนตังการฉันปัจฉาพัฒนั้นชื่อว่าปัจฉาพัตฒตโพชนังการฉันปัจฉาพัตเป็นปกติของภิกษุนี้เพราะรู้อยู่ว่าเป็นปัจฉาพัตในขณะฉันปัจฉาพัตเหตุนั้นภิกษุนี้ ชื่อว่าปัชชาพัตติโกแปลว่าผู้มีอันฉันปัชชาพัดเป็นปกติภิกษุผู้มิใช่ปัชชาพัตติโกชื่อว่ากลุปัชชาพัตติโกแปลว่าผู้มิใช่ผู้มีอันฉันปัชชาพัดเป็นปกติคำนี้เป็นชื่อของโภชนะที่มากเกินไป ซึ่งทันห้ามไว้ด้วยอำนาจแห่งการสมาทานส่วนในคำพีอัตถกถาพันนาไว้ว่าคำว่าขลุได้แก่นกประเภทหนึ่งนกขลุนั้นเอาปากข้าผลไม้แล้วครั้นผลไม้นั้นล่วงไปจากปากแล้วก็ไม่ยอมกินผลไม้อื่นอีกภิกษุนี้มีปฏิปทาเหมือนนกขลุนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า ขลุปัชาพัติโกแปล ว, ว่ามิใช่ผู้มีอันชันปัชาพัทธเป็นปกติองค์แห่งภิกษุมิใช่ผู้มีอันชันปัชาพัทธเป็นปกตินั้นชื่อว่าขลุปัชาพติกังคะแปดอรัญญิกังคะ การอยู่ในป่าเป็นปกติของภิกษุนี้เหตุนั้นภิกษุนี้ชื่อว่าอารัญญิโกแปลว่าผู้มีอันอยู่ในป่าเป็นปกติองค์แห่งภิกษุผู้มีอันอยู่ในป่าเป็นปกตินั้นชื่อว่าอารัญญิกังคะรุกขมูลิกังคะการอยู่ณที่โคนไม้ชื่อว่ารุกขมูล การอยู่ณที่โคนไม้นั้นเป็นปกติของภิกษุนี้เหตุนั้นภิกษุนี้ชื่อว่ารุกขมูลิโกแปลว่าผู้มีอันอยู่ณที่โคนไม้เป็นปกติองค์แห่งภิกษุผู้มีอันอยู่ณที่โคนไม้เป็นปกติชื่อว่ารุกขมูลิกังคะสิบอโภโกาสิกังคะ การอยู่ณที่กลางแจ้งเป็นปกติของภิกษุเหตุนั้นภิกษุนี้ชื่อว่าอะโภกาสิโกแปลว่าผู้มีอันอยู่ณที่กลางแจ้งเป็นปกติองค์แห่งภิกษุผู้มีอันอยู่ณที่กลางแจ้งเป็นปกติชื่อว่าอะโภกาสิกังคะสิบเอ็ดโสสานิกังคะ การอยู่ในป่าช้าเป็นปกติของภิกษุนี้เหตุนั้นภิกษุนี้ชื่อว่าโสสานิโกแปลว่าผู้มีอันอยู่ในป่าช้าเป็นปกติองค์แห่งภิกษุผู้มีอันอยู่ในป่าช้าเป็นปกติชื่อว่าโสสานิกังคะ12สองยะถาสันติกังคะเสนนาสนะที่จัดแจงไว้อย่างไรนั่นเทียว ชื่อว่ายะาสันธตะคำนี้เป็นชื่อของเสนาสนะที่ทรงมอบให้แต่แรกด้วยคําว่าเสนาสนะนี้ถึงแก่ท่านการอยู่ในเสนาสนะที่จัดแจงไว้อย่างนั้นเป็นปกติของภิกษุนี้เหตุนั้นภิกษุนี้ชื่อว่ายะาสันติโกแปลว่าผู้มีอันอยู่ในเสนาสนะที่จัดไว้แล้วอย่างไรเป็นปกติ องแห่งภิกษุผู้มีอันอยู่ในเสนาสนะที่จัดแจงไว้แล้วอย่างไรเป็นปกตินั้นชื่อว่ายะถาสันตธธิกังคะสิบสาเนสัจิกังคะการห้ามอิริยาบทนอนเสียแล้วอยู่ด้วยอิริยาบทนั่งเป็นปกติของภิกษุนี้เหตุนั้นภิกษุนี้ ชื่อว่าเนสัชิโกะแปลว่าผู้มีอันอยู่ด้วยอิริยาบถนั่งเป็นปกติองค์แห่งภิกษุผู้มีอันอยู่ด้วยอิริยาบถนั่งเป็นปกตินั้นชื่อว่าเนสัชิกังคะอัธทิบายทุตังคะ ก็แลทุดงทั้งหมดนั้นนั่นเทียวเป็นองค์แห่งภิกษุผู้ซึ่งได้ชื่อว่าทุตตะเพราะเป็นผู้มีกิเลสคือตัณหาและอุปาทานอันกาจัดแล้วด้วยเจตนาเป็นเครื่องสมท า, านนั้นๆฉะนั้นจึงชื่อว่าทุตังค่ะอีกอย่างหนึ่งญาณอันได้โวหารว่าทุตตะเพราะเป็นเครื่องกาจัดกิเลส เป็นเหตุแห่งการสมาทานเหล่านั้นฉะนั้นการสมาทานเหล่านั้นจึงชื่อว่าทุตังคะอีกอย่างหนึ่งการสมาทานเหล่านั้นชื่อว่าทุตตะเพราะเป็นเครื่องกำจัดซึ่งธรรมะอันเป็นข้าศึกด้วยเป็นเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นการสมาทานเหล่านั้นจึงชื่อว่าทุตังคะ นักศึกษาพึงทราบการวินิจฉัยในทุดงส3าประการนั้นโดยอัาวิเคราะห์เป็นประการแรกเพียงเท่านี้วินิจฉัยโดยลักษณะเป็นต้นก็แลทุดงหมดทั้งส3าประการนั้นแหลมีเจตนาเป็นเครื่องสมาทานเป็นลักษณะ ข้อนี้สมดังที่ท่านอัตถกถาจารย์กล่าวไว้ว่าผู้ที่สมท า, านได้แก่บุคคลเครื่องสมาทานได้แก่ธรรมคือจิตและเจตสิกเจตนาเป็นเครื่องสมาทานอันใดอันนั้นเป็นตัวทุดงสิ่งที่ถูกห้ามได้แก่วัตถุและทุดงทั้งหมดนั่นแลมีการกำจัดความละโมบเป็นรถ มีการปราศจากความละโมบเป็นอาการปรากฏมีอริยธรรมเช่นความเป็นผู้มักน้อยเป็นต้นเป็นประทัดฐานคือเป็นเหตุใกล้นักศึกษาพึงทราบการวินิจฉัยในทุดงสิบสามประการนี้โดยลักษณะเป็นต้นเพียงเท่านี้วินิจฉัยโดยการสมาทานเป็นต้น ก็แลในอาการห้าอย่างมีโดยการสมาทานและการมวิธีเป็นต้นมีวินิจฉัยดังนี้ทุดงส3บสาประการนั่นแหละเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงพระชนอยู่ก็พึงสมาทานเอาในสำนักของพระผู้มีพระภาคนั่นเทียวเมื่อพระองค์เสด็จปรินิพพานแล้วพึงสมาทานเอาในสำนักของพระมหาสาวก เมื่อพระมหาสาวกนั้นไม่มีอยู่แล้วพึงสมทานเอาในสำนักของพระอรหันตขีณาศพเมื่อพระอรหันตขีณาศพไม่มีอยู่แล้วพึงสมทานเอาในสำนักของพระอนาคามีเมื่อพระอนาคามีไม่มีอยู่แล้วพึงสมทานเอาในสำนักของพระสกทาคามีเมื่อพระสกธาคามีไม่มีอยู่แล้วพึงสมทานเอาในสำนักของพระโสดาบัน เมื่อพระโสดาบันไม่มีอยู่แล้วพึงสมทานเอาในสำนักของท่านผู้ทรงจาปีดกสามเมื่อท่านผู้ทรงจาปีดกสามไม่มีอยู่แล้วพึงสมทานเอาในสำนักของท่านผู้ทรงจาปีดกสองเมื่อท่านผู้ทรงจาปีดกสองไม่มีอยู่แล้วพึงสมทานเอาในสำนักของท่านผู้ทรงจาปีดกหนึ่งเมื่อท่านผู้ทรงจาปีดกหนึ่งไม่มีอยู่แล้ว พึงสมทานเอาในสำนักของท่านผู้ทร ง, งจำสังคีติอันหนึ่งคำว่าผู้ทรงจำสังคีติอันหนึ่งหมายเอาผู้ทรงจำนิกายอันหนึ่งในนิกายทั้งห้ามีท<ๆ>ีฆานิกายเป็นต้นเมื่อท่านผู้ทรงจำสังคีติอันหนึ่งไม่มีอยู่แล้วพึงสมทานเอาในสำนักของท่านอ JA ัรถกถาจาร์เมื่อท่านอัตถกถาจาร์ไม่มีอยู่แล้ว พึงสมท า, านเอาในสำนักของท่านผู้ทรงทุดงแม้เมื่อท่านผู้ทรงทุดงก็ไม่มีอยู่แล้วก็จงปัดกวาดลานเจดีย์ให้สะอาดแล้วนั่งยองๆทำเป็นเหมือนกล่าวสมท า, านเอาอยู่ในสำนักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเถิดอีกประการหนึ่งแม้จะสมท า, านเอาด้วยตนเองก็ใช้ได้ในข้อนี้บรรดาพระเทระสองพี่น้อง ที่วัดเจติยบันพศจึงยกเอาเรื่องของพระเทระผู้พี่มาเป็นตัวอย่างเพราะท่านเป็นผู้มีความมากน้อยในทุดงที่วินิจฉัยมาแล้วนี้เป็นสาธารณคาถาทั่วไปแก่ทุดงทั้งปวงเรื่องของพระเทราะสองพี่น้องนี้มีอยู่ในอัตถกถารัฐวินิตสูตรในพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมานิกายพระเทเราะผู้พี่ ท่านสมทานเอาธุดงด้วยตนเองเพราะท่านสันโดษไม่ประสงค์ที่จะให้ใครๆทราบการปฏิบัติของท่านทีนี้จากพันณาถึงการสมทานกรรมวิธีประเภทความแตกคือขาดและอนิสงค์แห่งธุดงแต่ละประการต่อไปจะพันณาปังสุกูลิกังคักทุดงเป็นประการแรกดังนี้การสมทาน ในคำสมทานสองอย่างนี้คือกหปฏิฐานะจีวรังปฏิคิปามิข้าพเจ้าขอปฏิเสธผ้าจีวรที่กหบดีถวายดังนี้อย่างหนึ่งปังสุกูลิกลางคังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมทานเอาองค์แห่งภิกษุผู้มีอันทรงไว้ซึ่งผ้าบางสุกูลเป็นปกติดังนี้อย่างหนึ่งปังสุกูลิกั ง, าาาาาอาองคงทงงาทุดง ย่อมเป็นอัญโยคยีบุคคลสมาทานเอาแล้วด้วยคำใดคำหนึ่งว่าด้วยการสมท า, านอันเป็นประการแรกในปังสุกูลิกังคาทุดองนี้เพียงเท่านี้กรร ม, มวิธีก็แลอัญโยคยีบุคคล น, นั้นเมื่อได้สมท า, านเอาทุดงอย่างนี้แล้วพึงเอาผ้าชนิดใดชนิดหนึ่งในบรรดาผ้าสาสิบสองชนิด เหล่านี้คือผ้าที่ตกอยู่ในป่าช้าผ้าที่ตกอยู่ในตลาดผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามถนนผ้าที่เขาทิ้งไว้นักองขยะมูลฝอยผ้าเช็ดคันผ้าที่เขาใช้อาบน้ํำมนผ้าที่เขาทิ้งไว้ที่ท่าผ้าที่คนเขาไปป่าช้าแล้วกลับมาทิ้งไว้ผ้าที่ถูกไฟไหม้ผ้าที่โคขยําผ้าที่ปลวกกัด ผ้าที่หนูกัดผ้าที่ขาดกลางผ้าที่ขาดชายผ้าที่เขาเอามาทำธงผ้าที่เขาวงล้อมจอมปลวกผ้าของสมณะผ้าที่เขาทิ้งไว้ณที่อภิเสกผ้าที่เกิดด้วยฤทธิ์ผ้าที่ตกอยู่ในทางผ้าที่ลมพัดไปผ้าที่เทวดาถวายและผ้าที่คลื่นซัดขึ้นบกครั้นแล้ว พึงฉีกส่วนที่ทุรพลใช้ไม่ได้ทิ้งเสียเอาส่วนที่ยังแน่นหนาถาวร อ, อยู่มาซักให้สะอาดแล้วทำเป็นจีวรเปลืองผ้าคาหบดีจีวรชุดเก่าออกแล้วพึงใช้ผ้าชุดบางสุกุลจีวรแทนต่อไปเถิดอธิบายชนิดของผ้าในบรรดาผ้ายี่บสามชนิดนั้น คำว่าโสสาริกะได้แก่ผ้าที่ตกอยู่ในป่าช้าคำว่าป่าปนิกะได้แก่ผ้าที่ตกอยู่ที่ประตูตลาดคำว่ารัติยโจละได้แก่ผ้าที่ผู้ต้องการบุญทั้งหลายทิ้งไว้ที่ถนนรถโดยทางช่องนัดต่างคำว่าสังการโจละได้แก่ผ้าที่คนเขาทิ้งไว้ณที่เทขยยมูลฝอย คำว่าโสถิยะได้แก่ผ้าที่เขาใช้เช็ดมลทินแห่งคันแล้วทิ้งไว้ได้ยินมาว่ามารดาของท่านติสสะอัมมาตได้ให้คนเอาผ้ามีราคาเรือนร้อยมาเช็ดมลทินแห่งคันและให้เอาไปทิ้งไว้ณถนนชื่อตาละเวลิมัคขาด้วยมีความประสงค์ว่าภิกษุผู้ทรงไว้ซึ่งผ้าบางสุคุลเป็นปกติทั้งหลายจะได้เอาไปทาจีวร ภิกษุทั้งหลายก็พากันเก็บเอาเพื่อปะผ้าตรงที่ชำรุดนั่นเทียวคำว่านาหานาโจละได้แก่ผ้าซึ่งคนทั้งหลายอันพวกหมอผีกลุ่มให้รดน้ำมนต์เปียกทั่วทั้งตัวทิ้งไว้แล้วหลีกหนีไปด้วยถือว่าเป็นผ้ากาละกันนีคำว่าติดทโจละได้แก่ผ้าเก่า ทีทิ้งไว้ที่ท่าอาบน้ําคําว่าคตะปัญจาคตะได้แก่ผ้าที่พวกมนุษย์ใช้ไปป่าชา้าครั้นกลับมาอาบน้ําแล้วทิ้งไว้คําว่าอาคิทันทะได้แก่ผ้าที่ถูกไฟไหม้ไปแถบหนึ่งจริงอยู่ผ้าที่ถูกไฟไหม้แล้วเช่นนี้พวกมนุษย์ยอมทิ้งตั้งแต่คําว่า โคคาติยะเป็นต้นไปความปรากฏชัดอยู่แล้วจริงอยู่ผ้าที่โคขย่ำแล้วเป็นต้นนั้นมนุษย์ทั้งหลายย่อมทิ้งเสียเหมือนกันคำว่าทัชชาหัตตะได้แก่ผ้าที่คนเขาเมื่อจะขึ้นเรือนเอามาผูกทําเป็นธงขึ้นไว้ในเมื่อล่วงเลยทัศนวิสัยของคนเหล่านั้นไปแล้วจะเอาธงนั้นมาก็สมควร แม้ผ้าที่เขาเอามาผูกทาเป็นธงปักไว้ในยุทธภูมิในเมื่อกองทัพทั้งสองฝ่ายผ่านพ้นไปแล้วจะเก็บเอาธงนั้นมาก็สมควรคำว่าถูปะจิวระได้แก่ผ้าที่เขาใช้ทำพลีกรรมเอาไปวงล้อมจอมปลวกไว้คำว่าสมณะจิวระได้แก่ผ้าอันเป็นสมบัติของภิกษุคำว่าอภิเสกิกะ ได้แก่ผ้าที่เขาทิ้งไว้ณสถานที่อภิเสกของพระราชาคำว่าอิทิมยะได้แก่ผ้าของเอหิพิกขุคำว่าปันทิกะได้แก่ผ้าที่ตกอยู่ในระหว่างทางก็แลผ้าใดที่พลัดตกไปด้วยความเผลอสติของพวกเจ้าของแล้วผ้าเช่นนั้นต้องรอไปสักพักหนึ่งแล้วจึงค่อยเก็บเอา คำว่าวาตาหตะได้แก่ผ้าที่ลมพัดไปตกในไกลที่ก็แลพาชนนั้นเมื่อไม่เห็นเจ้าของจะเก็บเอาไปก็สมควรคำว่าเทวทัตติยะได้แก่ผ้าที่เทวดาทั้งหลายถวายเหมือนอย่างถวายแก่พระอนุรุธทธเทระคำว่าสามุธิยะ ได้แก่ผ้าที่คลื่นสมุดทั้งหลายซัดขึ้นไว้บนบกก็แหละผ้าใดที่ทายกเขาถวายแกสงด้วยคำว่าสังคสสะเทมะดังนี้ก็ดีหรือผ้าที่ภิกษุทั้งหลายเที่ยวขอได้มาก็ดีผ้านั้นจัดเป็นผ้าบางสุกุลไม่ได้แม้ในประเภทผ้าที่ภิกษุ ด, ด้วยกันถวาย ผ้าใดที่ภิกษุถวายโดยให้รับเอาด้วยส่วนแห่งพันษาก็ดีหรือที่เป็นผ้าเกิดขึ้นประจำเสนาสนะก็ดีผ้านั้นก็จัดเป็นผ้าบางสุกุลไม่ได้เช่นกันเพราะผ้าที่ภิกษุถวายโดยไม่ให้รับเอาด้วยส่วนแห่งพันษาเท่านั้นจึงนับเป็นผ้าบางสุกุลแม้ในบรรดาผ้าที่ภิกษุด้วยกันถวายนั้นผ้าใด ที่พวกทายกทอดถวายไว้ณที่ใกล้เท้าของภิกษุแล้วภิกษุนั้นจึงเอามาถวายโดยวางลงในมือของภิกษุผู้ทรงผ้าบางสุกุลผ้านั้นจัดเป็นผ้าบริสุทธิ์ฝ่ายเดียวผ้าใดที่พวกทายกถวายโดยวางไว้ในมือของภิกษุแล้วภิกษุนั้นจึงเอาไปทอดวางไว้ณที่ใกล้เท้าของภิกษุ ผู้ทรงผ้าบางสุกุลแม้ผ้านั้นก็จัดเป็นผ้าบริสุทธิ์ฝ่ายเดียวผ้าใดที่พวกทายกทอดวางไว้ณที่ใกล้เท้าของภิกษุด้วยแม้ภิกษุนั้นก็เอาไปถวายโดยทอดวางไว้ณที่ใกล้เท้าของภิกษุผู้ทรงผ้าบางสุกุลเหมือนอย่างนั้นด้วยผ้านั้นจัดเป็นผ้าบริสุทธิ์สองฝ่าย ผ้าใดที่ภิกษุได้มาโดยทายกวางไว้ในมือแล้วภิกษุนั้นก็วางไว้ในมือของภิกษุผู้ทรงผ้าบางสุกุลอีกทอดหนึ่งผ้านั้นไม่จัดเป็นผ้าอย่างอุกฤษอันภิกษุผู้ทรงผ้าบางสุกุลจีวรครั้นทราบความแตกต่างกันของผ้าบางสุกูลนี้ชนี้แล้วพึงใช้สอยจีวรตามควร น, นั่นเถิด ว่าด้วยกรรมวิธีในปังสุกูลิกังคะทุดงเพียงเท่านี้ประเภทก็แลประเภทแห่งปังสุกูลิกังคะทุดงนี้ดังนี้ภิกษุผู้ส่งไว้ซึ่งผ้าบางสุกุลเป็นปกติมีสามประเภทคือชั้นอุกริตหนึ่งชั้นกลางหนึ่งชั้นต่ำหนึ่ง ในปังสุกูลิกะภิกษุสามประเภทนั้นปังสุกูลิกะภิกษุผู้รับเอาเฉพาะผ้าที่ตกอยู่ในป่าช้าเท่านั้นจัดเป็นชั้นอุกริตปังสุกูลิกะภิกษุผู้รับเอาผ้าที่ทายกถวายทอดไว้ด้วยความประสงค์ว่าบรรพชิตทั้งหลายจะเก็บเอาไปดังนี้จัดเป็นชั้นกลางปังสุกูลิกะภิกษุ ผู้รับเอาผ้าที่ทายกถวายโดยวางทอดไว้ณที่ใกล้เท้าจัดเป็นชั้นต่าชะนี้ว่าด้วยประเภทในปังสุกูลิกังคะทุดดงนี้เพียงเท่านี้ความแตกคือขาดในบรรดาปังสุกูลิกะภิกษุสามประเภทนั้นในขณะที่ปังสุกูลิกะภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ยินดีต่อผ้าที่พวกเขารือหัดถวายตามความพอใจตามความเห็นของเขานั่นเทียวทุดงย่อมแตกคือขาดคือหายจากสภาพทุดงทันทีว่าด้วยความแตกในปังสุกุลิกังคะทุดงเพียงเท่านี้อานิสงก็แหละอานิสงในทุดงนี้มีดังต่อไปนี้ คือโดยที่มีพระพุทธพจน์อยู่ว่าการบวชอาศัยบางสกุลจีวรดังนี้ภิกษุผู้ทรงไว้ซึ่งผ้าบางสกุลนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติสมควรแก่ปัจจัยอันเป็นเครื่องอาศัยเป็นการดำรงตนไว้ในอริยวงประการที่หนึ่งคือความสันโดษในจีวรไม่เป็นทุกในการรักษา ไม่มีพฤติการเป็นที่เกาะอาศัยของผู้อื่นไม่หวาดกลัวด้วยโจรภัยไม่เป็นการบริโภคด้วยตัรหามีบริขารเหมาะสมแก่สมณะสารูปเป็นผู้มีปัจจัยเหมือนดังพระผู้มีพระภาคทรงสันเริญไว้ว่าปัจจัยเหล่านั้นเป็นสิ่งเล็กน้อยด้วยหาได้ง่ายด้วยหาโทษมิได้ด้วยดังนี้เป็นผู้เป็นที่น่าเลื่อมใส เป็นการสำเร็จผลแห่งคุณมีความเป็นผู้มากน้อยเป็นต้นให้เจริญเป็นการเพิ่มพูณสัมมาปฏิบัติยิ่งขึ้นเป็นการวางไว้ซึ่งทิฏฐานุคติแก่มวลชนในภายหลังภิกษุผู้สํารวมส่งไว้ซึ่งผ้าบางสุกุลเพื่อพิฆาตพยามาณและเสนามานยอมสง่างามเหมือนดังกษัตริย์ผู้ทรงสวมสอดเกราะแล้ว ย่อมทรงสง่างามในยุทธภูมิฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดทรงเป็นครูแห่งโลกทรงเลิกใช้ผ้าอย่างดีมีผ้าที่ทำในแคว้นกาสีเป็นต้นแล้วมาทรงใช้ผ้าบางสุกุลจีวร อ, อันใดใครเล่าที่จะไม่ใช้ผ้าบางสุกุลจีวร อ, อันนั้นเพราะเหตุฉนี้แลอันภิกษุ ผู้เห็นภายในสังสารวัฏเมื่อระลึกถึงคำปฏิญญาณของตนที่ให้ไว้แก่อุปชาในเวลาอุปสมบทพึงเป็นผู้ยินดีในการใช้ผ้าบางสุกุลจีวร อ, อันเป็นเครื่องส่งเสริมการบำเพ็ญความเพียร น, นั่นเถิดว่าด้วยอ น, นิสงส์งในปางสุกุลิกังคะทุดงนี้เพียงเท่านี้พันน า, นาการสมาทานกรรมวิธีประเภท ความแตกและอานิสงส์ในปังสุกูลิกังคะทุดงประการแรกนี้ยุติลงเพียงเท่านี้